ดิฉันมีคนมาชอบพอเยอะแต่และคนก็ตามใจและเอาใจสารพัดช่วงหลังเหมือนเด็กที่ถูกตามใจจนเหลิงทำให้ใจเราร้อนรุ่มอ่อนไหวง่ายแล้วก็ไม่อยากทนอะไรสักอย่างเดียวกลายเป็นคนทุกข์หนักสําคัญกว่าอะไรคือรักที่เราคิดว่าใช่ก็ไม่ได้เป็นสุขนักเมื่อมาอ่านหนังสือธรรมะจึงเริ่มอยากปฏิบัติธรรมแต่ก็เกิดอุปสรรคอีก เราไม่มีอิสระในการไปไหนมาไหนแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาสะดวกที่จะเข้าคอร์สเป็นเรื่องเป็นราวขอคำแนะนำว่าถ้าอยากปฏิบัติธรรมแต่ออยังต้องวุ่นวายกับการงานและความรักยังไม่ถึงขั้นหวังมรรคผลควรจะต้องทำอย่างไรตอบต้องตั้งมุมมองให้ถูกอย่างนี้ก่อนนะครับคุณไม่ได้อยากปฏิบัติธรรม แต่อยากหายร้อนรุ่มกลุ้มใจพอมองให้ออกอ่านให้ตรงจุดอย่างนี้ก็คงคุยกันได้ถนัดขึ้นเพราะถ้าไปมองผิดจุดนึกว่าตัวเองอยากปฏิบัติธรรมคุณจะไขว่คว้าหาเวลาหาโอกาสและกิเลสจะมีข้ออ้างมาบอกคุณสารพัดว่าไม่พร้อมไม่คล่องตัวหรือไม่สะดวกที่จะปฏิบัติธรรม เดิมทีคุณอยากได้แล้วสมใจเพราะมีคนหามาพนาวพนอดูเผินๆเหมือนดีแต่พอสมใจง่ายๆก็อยากได้อีกราวกับระลอกคลื่นทะเลความอยากอันทยอยมาไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองคือต้นเหตุของความกระวนกระวายไม่เลิกไม่เคยอิ่มไม่เคยสมใจจริงๆสักทีเหมือนรสหวานแห่งความสมหวังต้องมาคู่กันกับรสขม แห่งความไม่รู้จักพอเสมอพอคุณทราบว่าการปฏิบัติธรรมคือสูตรสำเร็จค่าทุกข์คุณก็อยากปฏิบัติธรรมซึ่งพอเห็นว่าตัวเองไม่พร้อมด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆก็กระวนกระวายเพิ่มเท่ากับเป็นทุกข์สองเด้งทุกข์แบบโลกโลกไม่พอมาทุกข์กับธรรมะเข้าให้อีกคนที่เขาปฏิบัติธรรมกันนั้น ไม่ใช่อะไรนักหนาหรอกครับก่อนอื่นเขาทำความเข้าใจเพื่อเห็นตามจริงดังที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้ดูว่าความอยากเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เมื่อละความอยากเส็จได้ทุกข์ก็หายไปเป็นธรรมดาความอยากเป็นสิ่งดับง่ายจนคุณนึกไม่ถึงพิงเท่าทันให้ได้ว่าความอยากเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการดับทุกข์ทางใจแล้ว กล่าวให้รวบรัดคือแค่เท่าทันว่าความอยากเกิดขึ้นก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมกันเต็มตัวแล้วไม่น้อยหน้านักปฏิบัติธรรมไหนๆแล้วเมื่อเท่าทันความอยากได้ก็แค่สังเกตแบบไม่เร่งร้อนว่าในความอยากนั้นใจคุณถลำออกไปข้างนอกหรือว่ายังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หากรู้เนื้อรู้ตัวอยู่คุณจะเห็นความอยากเหมือนส่วนเกิน คุณจะไม่หวงมันไว้เมื่อไม่หวงไว้ก็ไม่มีความเหนียวเหนอะแห่งอาการยึดพูดง่ายๆคือเห็นความอยากด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อใดความอยากก็จะเหือดหายไปในทันทีแต่หากใจถลำไปข้างหน้าจับยึดบุคคลหรือวัตถุภายนอกแน่นหนาแล้วเหมือนเนื้อตัวและลมหายใจถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแล้วคุณจะรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่าง ทั้งทางกายและทางใจเช่นมีความเสียดแทงในอกมีแรงดันออกมาจากกลางอกให้อึดอัดหรือในหัวเครียดตึงจนตาแทบถลนอาการอยากแบบนี้จะถูกรู้ได้ยากเพราะขาดความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นฐานทางที่ดีคือให้กลับมาระลึกก่อนว่าคุณกำลังอยู่ในอิริยาบถใดคนเราต้องมีอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยากสักแค่ไหนเมื่อระลึกได้ว่ากำลังอยู่ในอิรยาบทใดค่อยดูใหม่ว่าความอยากส่งแรงกระทากับคุณตรงไหนถ้านั่งอยู่ก็ให้รู้ว่าเกิดความอยากแบบนั้นๆในขณะนั่งถ้ายืนอยู่ก็ให้รู้ว่าเกิดความอยากแบบนั้นๆในขณะยืนหรือจะอยู่ในอิรยาบทใดๆก็ให้รู้ว่าเกิดความทยาน เกิดแรงดันหรือเกิดความบีบคั้นหนักหรือเบาเพียงใดที่สำคัญคือเมื่อดูไปเรื่อยๆคุณเห็นมันหนักขึ้นหรือเบาลงถ้ามันหนักขึ้นให้ดูร้อยครั้งก็ดูมันร้อยครั้งถ้ามันเบาลงให้ดูพันหนก็ดูมันพันหนแค่ปลูกฝังความพอใจที่จะดูเฉยๆคุณก็จะหลุดจากการหลงตามมันอย่างง่ายๆไม่น่าเชื่อ เช่นนี้จะเห็นว่าตัวเองปฏิบัติได้ผลอยู่ในอิริยาบถใดก็ปฏิบัติกันในอิริยาบถนั้นๆแหละไม่ต้องเดินทางไปดับความอยากที่ไหนเลยยิ่งเห็นบ่อยเท่าไหร่ใจก็ยิ่งสงบประณีตยิ่งขึ้นเท่านั้นแม้เพียงครั้งแรกขอเพียงมีสติอย่างถูกต้องก็จะทำให้ความอยากมีกำลังทยานออกไปยึดอะไรภายนอกน้อยลงแล้วพร้อมพอจะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกันแล้ว สรุปคือเมื่อหวังได้แก้วแหวนเงินทองคุณอาจหวังได้จากชายที่เข้ามาติดพันแต่หากหวังให้ใจตนเองสงบคุณขอจากใครไม่ได้บีบบังคับใครไม่ได้ต้องทําด้วยตนเองอย่างถูกวิธีครับอยากที่ไหนก็รู้ที่ตรงนั้นความอยากเกิดขึ้นที่ใจอย่าไปแสวงหาวิธีดับมันบนเขาให้รู้อยู่กับใจตัวเองเดี๋ยวนั้นแหละ เรื่องรามากมที่เพียงคนหาที่เห็นเป็นโทองจะตายไอคิดทีวิญผู้คนอาจเคยน้อยใจและ ย, ยังสับสนกับปัญหามากมายวนวุนไม่เกิดกับฉันได้งไง